ตอนที่หกสิบสี่ความทรงจำที่ตื่นขึ้นวินาทีที่สูมานเฉิงได้เห็นสูมานอินขอบตาของเขาก็พลันแดงระเรือ่อเขาตรงเข้าไปสวมกอดซูมานอินในทันทีมานอินในที่สุดพี่ก็ทว่าคำพูดนั้นยังไม่ทันจบแขนของเขาก็ถูกสูมานอินคว้าไว้ตามด้วยเข่าของนางที่กระแทกเข้าที่หน้าท้องก่อนที่ร่างทั้งร่างของเขาจะถูกทุ่มข้ามไหล่จนลอยละลี่ลงไปกองกับพื้นอย่างแรงมานอินเจ้า ซูม่านอินยืนตะลึงมองซูม่านเฉิงทันใดนั้นความทรงจําอันแสนเจ็บปวดสายหนึ่งก็พุ่งผ่านเข้ามาในสมองของนางซูม่านอินแก่นั่นแหละที่เป็นนเด็กบ้านนอกเป็นเพราะพ่อแม่แกเล้วเลือนที่อุ้มพวกเราสลับตัวกันแกต้องคืนชีวิตดีๆตลอดยี่สกว่าปีนี้มาให้ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกยังมีศักดิ์ศรีอยู่บ้างก็จงใส่หัวไปจากที่นี่ซะซูม่านเฉิงคือพี่ชายของฉันไม่ใช่ของแกซุนเทียนอวี่ก็เป็นคู่ม่านของฉันด้วย ส่วนแกใส่หัวกลับชนบทของแกไปซะในห้วงความคิดของซูมานอินปรากฏใบหน้าอันชั่วร้ายที่ชี้หน้าด่าทอและเหยียดยามนางนางไปยืนร้องให้อยู่ริมทะเลด้วยความโศกเศร้าเสียใจนางตัดสินใจจะจากไปจากที่แห่งนี้แต่ในเมื่อพ่อแม่บังเกิดกล้าวไม่อยู่แล้วนางจะไปที่ไหนได้เล่าขณะที่นางกําลังลังเลอยู่นั้นนางไม่ได้สังเกตเลยว่ามีมือมืดข้างหนึ่งยื่นออกมาจากด้านหลังนางถูกใครคนหนึ่งผลักตกลงไปในทะเลอย่างแรง หลังจากนั้นคือความเจ็บปวดจากการขาดอากาศหายใจครั้นเมื่อฟื้นขึ้นมานางก็ได้เห็นใบหน้าที่แก่ชาราใบหน้าหนึ่งเขาถามถึงความเป็นมาของนางแต่นางไม่อยากจะตอบเขาถามถึงครอบครัวของนางนางจึงร้องให้อ้อนวอนขอให้ชายผู้นั้นมอบบ้านให้แก่นางชายผู้นั้นลังเลแต่นางกลับใช้ความตายเข้าข่มขู่สุดท้ายเขาจึงทาได้เพียงพยักหน้าตกลง ทว่าระหว่างนางกับชายผู้นั้นกลับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อความทรงจําทั้งหมดหวนกลับมาซูมานอินจึงพบว่าน้ําตาของนางไหลออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มีอาจทราบได้พี่ชายท่านคือพี่ชายของข้าซูมานเฉิงลุกขึ้นจากพื้นแล้วเดินเข้ามาหาซูมานอินอีกครั้งครันี้ซูมานอินเป็นฝ่ายโผลเข้ากอดพี่ชายของเจ้าของร่างเดิมด้วยตัวเองเพราะในความทรงจําที่หวนคืนมาเขาคือที่พึ่งพิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาง ที่ชายทำไมท่านถึงเพิ่งมาหลาดเจ้ากะขอโทษนามานอินที่มาสายไปเชียวเลยเอ่อยถามซูม่านเฉิงว่ารู้จักลีฮาหรือไม่ซูม่านเฉิงพยักหน้าแต่ลีฮาหายตัวไปครึ่งเดือนแล้วซูม่านเฉิงบอกว่าเขาได้รับตัวหยวนหยวนลูกสาวของลีฮาไปส่งที่โรงพยาบาลในเมืองอื่นแล้วด้วยวิธีนี้ซูเหมียวหลิงก็จะไม่มีเครื่องมือมาขม่มขู่และลีฮาก็เต็มใจที่จะกลับตัวกลับใจ แต่เมื่อเรานัดแนะกันว่าจะไปแจ้งความซูเหมียวหลิงที่สถานีตำรวจเขากลับหายตัวไปเสียก่อนเชียวเลยขมวดคิ้วมุ่นถ้าอย่างนั้นก็ลำบากแล้วหากไม่มีพยานและหลักฐานเกรงว่าจะไม่สามารถจับกุมซูเหมียวหลิงได้ที่จะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องม่านอินเองจะไม่ยอมให้นางได้รับอันตรายอีกเด็ดขาดซูม่านเฉิงเอ๋ยด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่นานนักข่าวเรื่องการแต่งงานกัมมาลอระหว่างซูม่านอินกับโจเต๋ชางก็แพร่ไปถึงหูของตระกูลโจโจเต๋สุนและโจเว่วเฉียงจึงพากันมาหาเรื่องอีกครั้ง ในเมื่อแกกับพี่ชายฉันเป็นผัวเมียกันมาลองงั้นเงินชดเชยกับบ้านก็ต้องคืนให้ตระกูลโจของพวกเราช่ยรีบย้ายออกไปจากเขตบ้านพักเดี๋ยวนี้เลยหวังเกว่ยฮ่าแอบหลบอยู่ด้านข้างครานี้นางไม่ได้ส่งเสียงใดๆพวกคนงานในโรงงานเครื่องจักรต่างพากันบอกว่าซูม่านอิงกับฉินเสี่ยวย่าวคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชุบชีวิตโรงงานเครื่องจักรขึ้นมาหาักนางออกมาหาเรื่องตอนนี้เกรงว่าในอนาคตคงไม่ต้องหวังจะอยู่ในโรง ง, งานเครื่องจักรอีกต่อไป เจ้าโจเตอสุ่นต่อให้ค่ากับพี่ใหญ่โจเตอชางจะแต่งงานกับหลอกหลอกแต่บ้านกับเงินชดเชยนี้ก็ไม่มีทางตกถึงมือเจ้าหลอกซูมานอินหยิบซองจดหมายและโฉนดบ้านส่งให้ถึงมือโจวเว่หมินโดยตรงโจเตอชางมีลูกชายเงินชดเชยนี้เขาก็ต้องเป็นคนถืออีกอย่างโจวเว่หมินเป็นพนักงานโรงงานทอผ้าบ้านในเขตบ้านพักแห่งนี้ก็ต้องเป็นของเขาเพื่อนบ้านโดยรอบต่างก็พากันสนับสนุนนั่นสิ นี่มันบ้านในเขตบ้านพักโรงงานทอผ้าเจ้าที่เป็นคนโรงงานเครื่องจักรจะมาแผ่เสียงอะไรที่นี่เขาไม่ใช่คนโรงงานเครื่องจักรของพวกเราพวกเราไม่นับญาติ ด, ด้วยพนักงานที่ทํางานในโรงงานเครื่องจักรบางคนมองโจเตอร์ซุนและลูกชายด้วยความรังเกียจโจเว่งหมิ่นกาฉนดบ้านและเงินชดเชยไว้แน่นในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายที่แท้ตั้งแต่เริ่มต้นแม่เลี้ยงอย่างซูม่านอินก็คิดจะรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ให้เขาแต่เขากลับ ในเดือนสิบอดทางตอนเหนืออากาศหนาวเหน็บจับใจแต่ในใจของโจเวยหมิงยามนี้กลับร้อนรุ่มราวกับมีกองไฟแผดเผาแม่ไม่ว่าแม่กับพ่อจะแต่งงานกันจริงหรือไม่ผมโจเวยหมินก็ยอมรับแม่แล้วโจเวยหมิงยัดโฉนดบ้านและเงินชดเชยกับใส่มือซูมานอินอีกครั้งในเมื่อบ้านกับเงินชดเชยนี้ผมเป็นคนตัดสินใจผมก็เต็มใจจะมอบมันให้สหายซูมานอินโจเวยหมินแกสมองกลับไปแล้วหรือไง โจวเวยเฉียงทลาเข้าไปจะผักโจวเวยหมินแต่กลับถูกซุนจิ๋วหลิงคว้าคานหาพุ่งเข้าใส่ทันทีโจวเวยเฉียงถ้าแกกล้าแต่ต้องเวยหมินของฉันแม้แต่ปลายนิ้วก็ลองดูเมื่อเห็นซุนจิ๋วหลิงบันดาลโทสะโจโตเติร์ซุนและหวังเกว่าหาต่างก็พากันตะลึงโจวเวยหมินดึงซุนจิ๋วหลิงออกไปอาสองพี่วเวยเฉียงคนเราต้องมีมโนทำแม่เลี้ยงช่วยให้ตระกูลโจมัง่งคั่งนําพาโรงงานทอผ้าและโรงงานเครื่องจักรให้ได้รับใบสั่งซื้อขนาดใหญ่ นางเคยละโมบอเอาเงินของตระกูลโจหรือโรงงานทอผ้าไปแม้แต่เม้าเดียวหรือไม่ซูมานอินรู้สึกผิดอยู่ในใจเล็กน้อยเพราะในช่วงแรกที่เริ่มขอบริจาคนางกับชินเสียวยาวก็ได้ความเห็นใจจากพนักงานไปไม่น้อยนั่นสิพวกแกคอยแต่จะมาทำลายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่แม่เลี้ยงเคยแจ้งความจพวกแกไหมละ่ะเรื่องที่พวกแกทานะ่ะมันเพียงพอจะส่งพวกแกไปนอนในคุกตั้งนานแล้วโจเตอซุ่นและโจวเวเชียงเงียบปริบลงทันที ขณะที่กำลังวุ่นวายอยู่นั้นเจ้าเฉียนหยางเห ว, วินและเกาช้างเหอก็พากันวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามานี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกใครมาหาเรื่องในเขตบ้านพักโรงงานทอผ้าของพวกเราโจเตอซุ่นและโจววเวชิงตกใจจนรีบก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วเกาช้างเหอเดินเข้ามาข้างกายซูม่านอินแล้วเอ่ยถามด้วยความหงอยใหญ่ไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมซูม่านอินยิ้มพรางสายหน้าบอกว่านางไม่เป็นไร ซูม่นเฉิงที่อยู่ด้านข้างเห็นเกาฉางเหอจึงพยักหน้ายิ้มให้พร้อมแนะนําตัวว่าผมเป็นที่ชายของม่านเองครับเกาฉางเหอรีบยิ้มตอบในทันทีไม่มีใครหาเรื่องหรอกคแค่เรื่องเข้าใจผิดกันในครอบครัวนิดหน่อยหวังเกวฮายิ้มพางอธิบายนางกําลังจะลากสามีและลูกชายหนีไปแต่กลับถูกวังชีฟางขวางเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อนมีเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกับพวกคุณวังชีฟางเอ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาและจริงจัง พวกคุณเป็นคนบอกสหายชินเสี่ยวเย่เว่ว่าโจไวตรงเสียชีวิตใช่ไหมทั้งสองคนชะงักไปก่อนจะอ้อมแอมตอบว่าอาอใช่ครับโทรศัพท์จากกองทัพบอกมาแบบนั้นนี่นาแล้วเงินชดเชยไปรับมาจากไหนเออก็คงมาจากกองทัพนั่นแหละเมื่อเห็นโจเตอสุนลังเลสู่ม่านอิมก็ขมวดคิ้วทันทีผู้อำนวยการเจ้าหรือว่าเรื่องของโจไวตรงจะมีปัญหาอะไรคะเจ้าเฉียนพยักหน้าอย่างจริงจัง ทางแผนกกิจาการพลเรือนประจำแขวงไม่เคยได้รับเอกสารเรื่องการจ่ายเงินชดเชยของโจวไวตรงเลยพวกเราได้ประสานงานกับสหายจากฝ่ายงานอาวุธแล้วสหายโจวไวตรงยังไม่ได้เสียชีวิตเลยแม้แต่น้อยเมื่อข่าวนี้ออกมาผู้คนโดยรอบต่างพากันแตกตื่นชินเสี่ยวเย่ยยิ่งมึนงงหนักเข้าไปใหญ่ไม่ใช่สีคนยังไม่ตายแล้วทำไมถึงบอกว่าตายละ่ะชินเสี่ยวเยว่ยมองโจเตอสุ่นและเงินชดเชยก็นั้นตั้งหนึ่งพันหยวนพวกคุณไปเอามาจากไหน โจเตอซุนพยายามหลบตาแต่กลับถูกโจวิ่งหมิ่คว้าตัวไว้อาสองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้องสามของผมยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วโจเตอสุนเจ้ารู้ไหมว่านี่คือการช่อโกงเก้าช้างเหอเอ่ยเสียงเข้มถ้าไม่อยากพูดที่นี่งั้นเราไปคุยกันที่สถานีตำรวจดีไหมผมพูดแล้วผมพูดแล้วพอได้ยินว่าจะต้องไปสถานีตำรวจโจเตอซุนก็ยอมจำนวนทันที เขาคลายแผนการชั่วร้ายทั้งหมดออกมาที่แท้ก่อนที่โจเวย์ตงจะ ก, กลับบ้านมาแต่งงานเขาก็มีใจให้ลูกสาวของผู้บังคับบัญชาในกองทัพอยู่แล้วแต่โจเตอชางกลับบอกว่าฉินเสี่ยวเย่าเป็นเด็กดีอีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้พบหน้าและมั่นหมายกันไว้แล้วจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นทั้งคู่จึงต้องจําใจไปจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งงานอย่างเร่งรีบพอโจเวย์ตงกลับไปที่กองทัพและพบว่าลูกสาวของผู้บังคับบัญชาก็มีใจให้เขาเช่นกันเขาจึงคิดแผนการแส้งตายขึ้นมา เราจนชินเสี่ยวเย่เสียใจจนแต่งงานใหม่ถึงตอนนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของตระกูลโจตามเดิมและเพื่อเป็นการชดเชยโจเว่ยตงจึงได้ส่งเงินมาให้ 1,000 พหยวนเว่ยตงยิงเห็นแกเสี่ยวเย่เว่ยอยู่นะเขาไม่ได้เข้าห อ, อกับเสี่ยวเย่เว่เลยเรื่องนี้เสี่ยวเย่เว่ยเป็นพยานได้ชินเสี่ยวเย่เว่ยพูดไม่ออกนางจะไปเป็นพยานให้ได้ยังไง ที่แท้เจ้าของร่างเดิมต้องครองตัวเป็นไม้ทั้งที่สามียังไม่ตายมาตลอดเลยหรือนี่ น, นี่มันโศกสนาแตรรํชัดทำไมเรื่องเฮงซวยแบบนี้ต้องมาลงที่เจ้าของร่างเดิมคนเดียวด้วยนะ